คุณกรบเป็นไงคุณกรบเทียบกับวันนโนนเป็นไงเทียบกับคราวก่อนเป็นไงไ ม, ไมดีแล้วนะ <c oughs> ดูออกว่าใช่ได้แล้วอาจารจานุจนเป็นไงอาจารย์ <c oughs> ไม่ห้ามนะอาจารย์ คือจริงๆอย่างจิตมันสายเรารู้ว่าสายเนี่ยรู้ด้วยใจเป็นกลางคือไม่ใช่ว่าจะต้องให้สงบเนั้นสายสารู้ว่าสายแ้่ใจเราเป็นกลางเรารู้ว่าใจเป็นกลางอันนี้สงบนหะนนจิตเป็นกุศลอะกุศลสุขทุกนะเรารู้เข้ามาให้ถึงจิตเพราะมันเป็นกลางในสุดทุกทุกสภาวะก็เป็นกลางคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นไง มีมีอะไรนะอะไรมันแปลกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะคช้ได้อยู่รู้สึกไปเอาฉัดว่าไงฉัดเรื่องงั้นต้องฟังบ่อยๆนะะต่แย่สิต้องฟังทั้งวันถึงจะรู้ตัวทั้งวันก็แย่นะ รู้สึกตัวดีขึ้ น, okay. นไหมเข็นนะดัดดีละชื่ออะไรลืมละเออช้างวะไ ง, งเออ ย, งงยิ่งเค้นยิ่งไม่มานะยิ่งเค้นยิ่งไม่มาเพราะนั้นจิตเนี่ยมีธรรมชาติจเจเลยแล้วเสื่อมวันไหนที่เขาเสื่อมนะอย่าตกใจนะ วันไหนก็าเส át, high, Jamie, иваем, ื่อมฟุ้งซ่านดูไม่ออกดูไม่ไหวทําใจสบายๆก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปใจเราเป็นกลางเลยในที่สุดจิตจะดีใจก็กลางนะจิตจะฟุ้งซ่านใจก็เป็นกลางอย่าไปอยากให้หายอย่าไปอยากให้มันดีอย่าไปอยากให้มันสงบยิ่งอยากก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นวันไหนจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยพเจ้าสอนอย่างนี้ จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านอยากหายฟุ้งซ่านรู้ว่าอยากหายนะในสุดใจจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะเราฝึกไปจนเข้าไปสู่ความเป็นกลางในทุกๆสภาวะนะไม่ใช่ว่าความสุขมาหรือจิตมีสติบ่อยก็พอใจจิตเผลอบ่อยก็ไม่พอใจนะจะเป็นกลางเข้าใจไหมที่ทําอยู่ที่ทําอยู่ทําถูกแล้ว มีอันเดียวนะช้างขยันทําเมื่อทาถูกแล้วต้องขยันนะคนไหนยังทําไม่ถูกห้ามขยันยังทำไม่ถูกถกเเ็เพ่งเอาเพ่งเอาแล้วขยันนะยิ่งเพ่งหนักกว่าเขาไหนช้างลอะอคุณสุธรรมมันเป็นไงไม่ดีไงเออหลงไม่ดีนะรู้รู้ว่าหลงอะไรจะดี อย่าอยากให้หลุดออกมานะถ้าอยากให้หลุดออกมาจะไม่หลุดเลยนะเพรานั้นเวลาที่จิตมันเสื่อมจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันเข้าไปแชรกับอารมณ์อะไรพวกนี้อย่าไปอยากให้มันเปลี่ยนแปลงอย่าไปแก้ไขให้รู้ทันว่าใจเราไม่เป็นกลางใจเราไม่ชอบถ้ารู้ทันว่าใจไม่ชอบนะความไม่ชอบจะดับไปใจจะเป็นกลางขึ้นมาใจเป็นกลางคราวนี้สบายล้จริงๆคาว่าเสื่อมไม่เคยมีเลย คำว่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากความเห็นผิดของเราเกิด <c oughs> จากการเปรียบเทียบสภาวะสองสภาวะเมันเคยดีแล้วคราวนี้ไม่ดีเท่าเก่าบอกเสื่อมแท้จริงจิตมนะันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไอ้จิตดวงที่ดีมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มันเสื่อมจิตดวงที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแทนจิตที่ดวงไม่ดีมันเกิดแล้วมันก็ดับไปก็ไม่ใช่ว่ามันจเจริญแท้จริงก็คือความเสื่อมจิตที่เสื่อมก็เกิดแล้วก็ดับจิต ที่เจริญเกิดแล้วก็ดับนะนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่คิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมความสําคัญผิดมันคิดว่าจิตมีดวงเดียวงั้นอยากทําให้มันดีตลอดอยากให้มันถาวรความจริงไม่มีหรอกจิตที่เป็นดวงเดียวมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะคําว่าเจริญคําว่าเสื่อมเกิดจากการเปรียบเทียบทั้งหมดเลยเปรียบเทียบสภาวะสองอันทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ถ้าสุธรรมเห็นว่าจิตจเจริญเจริญแล้วมันก็ดับไปจิตที่เสื่อมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะใจเป็นกลางจเจริญก็ไม่หลงดีใจเสื่อมก็ไม่หลงเสียใจนี่เป็นกลางในที่สุดจิตเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะจิตที่เป็นกลางต่อทุกสภาวะนะจะเลิกดิ้นรนมันไม่ดิ้น <c oughs> จิตที่มันไม่ดิ้นไม่ปรุงแต่งหลวงปู่ดูลท่านบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิต มันหยุดันกเข้าถึงมรรคผลนิพพานไปเนี้ยถ้าใจเราอย่างดิ้นไม่เลิกนะก็ยังห่างไกลนิพพานไปเรื่อยนิพพานไม่ดิ้นนิพพานคือวิสังขารไม่ปรุงนิพพานคือวิราคะไม่อยากยังอยากดีก็ดิ้นก็มีทั้งสังขารทั้งราคะเพราะฉะนั้นจิตเสื่อมคือว่าเสื่บเสือบนนะคิดเอาเองจริงจิตฟุ้งซ่านอ ความเป็นผิดมันรู้สึกว่าจิตมีอันเดียวขึ้นลงทุกวันมีดวงเดียวเดี๋ยววิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปในความคิดแล้วก็วิ่งกลับมาที่จริงจิตเกิดทางตาก็ดับทางตาจิตที่เกิดทางหูก็ดับทางหูนะจิตที่เกิดทางใจก็ดับทางใจไม่วิ่งไปวิ่งมาหรอกถ้าเราเห็นเป็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปด้วยนะเดี๋ยวก็แจมแจ้งไม่มีสิ่งที่ถาวร หลไรความความอยากดีเป็นมารนะชื่อเพราะเลยชื่ออภิสังขารมารนะไม่ใช่มารกระจอกเป็นมารระดับอภินะอภิสังขารมารนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วเราชั่วได้นะกระทั่งดีนยังไม่ติดเลยช่วมันยัพยายอมไม่ได้หรอกกิจสติเกิดไอ้อกุศลมันดับทันทีไปแล้วนะอกุณาทัยที่เป็นไง ดีละคุณดีละดีล ะ, ละรู้ไปพอใจเป็นกลางใจก็ไม่ดิน้นใจมันไม่เป็นกลางมันมีความอยากพอมันไม่เป็นกลางมีความอยากขึ้นมันก็ดิ้นเนีน่ยตัณหาเป็นผู้สร้างภพสร้างไปได้พอเรารู้ทันใจเป็นกลางใจก็เลิกดิ้นรนในสุดวันหนึ่งจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเอาดาวเป็นไงดาว อ่าอ่าดีละนะเรารู้กายแล้วก็รู้ไปจิตเคลื่อนไหวก็รู้จิตไปนะไม่ได้เลือกหรอกเพราะสติมันเลือกไม่ได้จะไปสั่งบอกสติจงรู้แต่กายสั่งไม่ได้สติจงรู้แต่จิตสั่งไม่ไดนะ้อะไรเด่นขึ้นมาในขณนะนั้นก็ไปรู้อันนั้นนะดีแล้วละ่ะใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่ของหยาบ ฝึรู้ฝึกดูไปเรื่อยๆไปเราหเห็นสภาวะที่ละเอียดเข้าละเอียดเข้านะกิเลสมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆกิเลสในชั้นละเอียดหน้าตามเหมือนกูสนเลยนะดูยากแล้วก็ค่อยรู้ค่อยดูไปครูบาอาจารย์สอนอาจามหาบัวสอนบนะัวหน้ากิเลสเลยเอาวิชานะจิตที่รู้สึกตัวอยู่นั่นแหละเป็นจิตที่มีอวิชชา <c oughs> จิตตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวอวิชานะแต่เราก็อาศัยตัว จิตนีไ้ไปก่อนนะรู้สึกไปเรื่อยจะไปโมเมว่ามันอวิชชาลราไม่ไปดูมันไม่ได้นะ <c oughs> ใครรูบ่อยๆดีแล้วนะทั้งลาวทั้งคุณอาไทยทิพดีแล้ว <c oughs> เอาคุณหมอว่าไงคุณหมอเอามีสองหมอแล้วมันนั่งเรียงกันเสียด้วย <c oughs> นะเอ้าหมอนอนกอดก็ได้อ่ะคุณหมอดวงพร ใ, ใช่ไหมพระดกทิพเป็นไง อะไรสบายล่ะสติเกิดไหวไมสติกิเลสเกิดรู้ไวัไม้มเหรอ อ, อ, อ, ยอย่ายให้นานนัก น, นะอ้าวเหร อ, อเขาชอบทางดีหรือทางไม่ดีเรือยวกัอา้อาว เรามีหน้าที่ว่าเราก็ว่าสิไม่ใช่ปฏิบัติทำเราไม่ว่าเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์นะว่าเก่งนะเอครูบาอาจารย์ยิ้มภาวนาดีๆเนี่ยเราไปกระดุกกระดิกอะไรใกล้ๆท่านนะจิตใจว่อแวบออกไปโดนท่านดูเอาเะฉะนั้นลูกเข้าใจผิดล้บอกเลยแม่มีหน้าที่ว่าการว่าของแม่เนี่ยเป็นธรรมะนะคนชอาวัดภาพว่าคนเข้าวัดจะต้องดีอย่างงอนดีอย่างนี้นะเรียกร้องสูง อันนี้เป็นคนที่ไม่ได้เข้าวัดเขาเรียกร้องสร้างมาตรฐานขึ้นมาส่วนเราผู้ปฏิบัติเราจะเห็นเลยวัดถึงวันหนึ่งกิเลสเกิดเยอะแยะคุณหมอดูออกไหมกิเลสเยอะถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีกิเลสเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราหัดเจริญสติเราจะรู้เลยกิเลสของเราเยอะมากในวันวันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดีด๋ยวหลงเกิดทียิบเลยทุกนาทีเนี่ยเต็มไปได้วยกิเลส อย่างขณะนี้ยลงละรู้สึกไหมหลงละเนี่ยโมหะ่ะใจมันฟุ้งซ่านออกไปอย่าประคองนะประคองละอันนี้ติดดีกลัวจะหลงก็ประคองเอาไว้ขอบคุณหมอสีชมพูหมอนคอนปรปฐมใช่ไหมอันอนั้นพระบมนมเหรอวันี้นคนปรปฐมวันเนี้หมอมากเลยนั่งเรียนกันเป็นแถวเลยเนหมอทั้งแถวเลยนีมีหมอรวมพออีกคน ก็ถูกแล้วนะสังเกตไหมพอเรารู้กายได้ถูกต้องเนี่ยคล้ายๆใจเราก็ตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันมีความเหมือนรู้สึกตัวเหมือนใจเราตื่นขึ้นมานะงั้นจิตของเราเหมาะที่จะรู้กายเราก็รู้กายไปมันมันดูของมันเองอะแล้วแต่อันไหนเด่นขึ้นมามันก็ไปรู้อันนั้นแหละดูไปสักพักหนึ่งเพราะว่าไปจงใจดูเข้าไปอยากปฏิบัติก็เลยไปนั่งจ้องมันไปจ้องมันมันจะเครียด เพราะถ้าเราจ้องไปที่จิตเราถลำไปที่จิตมากเราก็เปลี่ยนมารู้กายนะมันก็จะถอดถอนออกจากการจ้องก็รู้สึกสบายดูกายไปนานๆก็ไปจ้องกายอีกนะจ้องกายถลำลงไปในกายก็เครียดได้เหมือนกันอีกนะไม่ก็แข็งทื่อไปเลยทื่อๆแล้วก็กลับมารู้ทันใจของเราไปอีกอันไหนใช้ได้ทั้งสองนั้นนะนะอยู่ที่สติปัญญาเราว่าตอนนี้จิตมันจะไปรู้อะไรนะ รู้อย่างถูกต้องแล้วใจก็อยาเบาเบาเป็นกลางขึ้นมาถ้ารู้ไม่ถูกต้องก็จะแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมานนมขนาจิตนี้หรือเปล่าขนาดจิตนี้ไม่ถูกชื่อไปไม่เบิกบานรู้สึกไหมถ้ารู้ถูกต้องนะรู้กายถูกต้องจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้จิตถูกต้องนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันเดียวกันเปรียบเลย แล้วรู้กายถูกต้องก็เป็นอย่างเดียวกันกับที่รู้จิตถูกต้องตรงนี้หนักหนักรู้สึกไห ม, หมไม่มากมันก็ยังหนักนะถ้ารู้ถูกต้องจริงๆโล่งเลยจะโลง่งจะสบายเคยเจอใช่ไหมแต่ที่มันตื่นขึ้นมาสดชื่นเลยจิตใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสดชื่นตอนนี้เป็นผู้คิดผู้นึกไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วนึกออกไหม กำลังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่เนี่ยแอบไปคิดต่อละเ <laughs> นี่ยรู้สึกไหมตรงเนี้ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมเมื่อกี้แวบไปเกี้ยนึก อ, อกไหมไม่มีอะไรเลยนะจะโล่งว่างไปเลยไม่มีอะไรหรอกนี่ยนี่เป็นผู้คิดอีกแล้วไม่ใช่ผู้รู้ล้ว <laughs> เอไปคิดซ้ําอีกนะ <laughs> แล้วความถนอมแต่ก่อนครูบาอาจารย์ก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็หายไปเรื่อยๆแนละ จะคอนเนมมุกดาหารเลยทั้งนั้นหลวงปู่ล่าปู่ล่าดีนะปู่ล่าปู่จะาก็คุณหมอดวงทิพย์ไม่เพ่งปล่อยออกแท้ปล่อยอคุณน้องเป็นไงคุณน้องอืส่งในใจอีกคนละพูดหน่อยพูดหน่อยหลวพ่อจะได้ดื่มน้ำอะไรนะ ดีแล้วไปดูเรื่อยๆตุกตา ล, ะล่ะ <c oughs> บ่อยเครียดแล้ว <c oughs> ดีแล้วตุกตาดีแล้วดีทั้งคู่แหละนะดีทั้งคู่เลยดีแล้วนะ <c oughs> ภาวนาไปด้วยกันนะออกจากโลกให้ได้ในได้เป็นคู่ที่สามเร อ, อยังหลวงพ่อมนตรีไห <c oughs> นไหนมีใครอีกนาะ อานุชรัตเป็นไงดีแล้วจิต ด, ดีขึ้นลล้นะไม่งั้นจิตฟุง้งซ่านเกินไปไปทําสมถะมาดีแล้วนะระวังติดเท่านั้นแหละระวังไปเพ่งไม่เพ่งนะหลักของการทําสมถะเนี่ยอย่างเรารู้ลมหายใจเราก็รู้เล่นเล่นรู้สบายพอเรารู้สบายใจเราจะสงบ ถ้าเรารู้แบบบังคับตัวเองจะให้สงบนะมันไม่มีความสงบหรอกจิตใจยิ่งฟุ้งเนี่ยแล้วก็ทำสมถัก็ายาวเคลิมนะเอารู้เนื้อรู้ตัวไปหายใจไปก็รู้สึกไปเห็นใจไปรู้สึกไปไม่ทิ้งความรู้สึกตัวเพราะว่ามันไม่ได้เก็บกดก็แต่เดิมนะไม่ใช่คนดีนะ แต่เดิมเราร้ายร้ายมากๆอะ่ะเราเป็นคนร้ายแต่ว่าเราพยายามจะดีเราก็กดๆเอาไว้่านนี้พอเรารู้สึกตัวรู้สึกไหมจิตใจมันรู้สึกตัวมันนุ่มนวลขึ้นมันเบิกบานมันว่องไวกิเลสมันก็จะเด่นขึ้นมาคล้ายๆเราเคลียร์พื้นที่ในใจเราจนสว่างแล้วหมือนสะอาดมากเลยเศษขยะเศษผงอะไรนิดหน่อยตกลงมาเราก็เห็นชัดอะ่ะ งั้แเราก็ทำไปทำความสงบไปดีละไม่งั้นฟุ้งซ่านมากไปดีแล้วแล้วยังเที่ยวเห็นผีอยู่ไหมเห็นค่ะเห็นเห็นแล้วทำยังไงเออมันต้องอย่างนั้น i g n ก r นอมันไปจบไหมนะไม่ว่าเกิดอะไรยิ้กหนอไป เพราะจิตใจมันไม่หมกมุ่นอะไรนะเดี๋ยวไปสนใจอีกนอไปเลยนะแล้วที่มาด้วยกันล่ะเคยมาไหมฮะส่งกันบ้าน <c oughs> แล้วไม่ทำเหรอ ไม่คุยด้วยแล้วเอาคุณผู้ชายข้างหลังนั้นน่ะถัดไปเป็นไงทำอะไรลนะ่ะทำตลอดดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้เกรงก็แล้วกันดูไปสบายรู้สึกไหมตรงที่มันรู้โดยไม่ตั้งใจจะรู้อะใจมันจะสว่างสบายอันนั้นเป็นการรู้ที่ถูกต้อง นะแต่ถ้าเราจงใจรู้มันจะแข็งแข็งขึ้นมาอย่างตอนนี้แข็งแข็งไม่ออกไหมดีที่รู้ทันนะดีใช้ได้ที่นั่งกับนุชอนะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแตะ่ดูไปเล่นๆนะดูไปสบายๆอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้ไหมเ <c oughs> นี่ยแค่รู้สึกรู้ทันนะแต่ก็จะตื่นขึ้นมาเราก็ให้มันตื่นบ่อยหน่อยก็แล้วกัน คือการปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปนั่งรูปเดียวเดินรูปเดียวนะนี่บางคนไม่ได้นั่งไม่ได้เดินบอกไม่ได้ปฏิบัติอย่าตอบอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าสติของเราเกิดไหมถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมแต่สติเกิดเร็วอย่างเช่นกิเลสไหลมาแวบเรามองเห็นละอย่างนี้ก็ถือว่าเราปฏิบัติอยู่อย่างเรานั่งสมาธิแล้วเราก็เพิ่มอยู่เรื่อยๆนะอย่างนั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติอยู่เรียกว่าหลงอยู่ หรืเดินจงกลมแล้วก็เคร่งเครียดอยู่ก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติอยู่เรียกว่ากําลังทรมานอยู่เงั้นคาว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่ไม่ได้อยู่ที่อาการหรอกมันอยู่ที่สภาวะของจิตใจเรามีสติหรือไม่มีสติหลวงปู่มั่นถึงสอนอกมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรสติสําคัญมากนาคุณหมอใจรอยอีกแล้วเป็นไงเสียง เหลอให้มันรู้บ่อยๆนะฮะ อ, อย่าเคร่งเครียดกคนแล้วกันนิงเป็นไ ง, นงนไนนนช่วงเนียนานเท่าไหร่อยู่กับโลกก็งนงั้นนะทำตลอดลวบากใช้ชีวิตอยู่กับโลกมันก็ไม่ได้เหมือนอยู่วัดนะอ่ะคุณที่มีเรือพงนะ เคยมาไหมเล่าเคยฝึกมาแบบไหนใส่หลวงพ่อเทียนปนะ่ะหลวงพ่อเทียนก็ดีนะฝึกฝึกไปฝึกเอาสติแล้วที่นั่งข้างๆละ่ะมาด้วยกันไหมฝึกแบบหลวงพ่อเทียนเหมือนกันปนะ่ ะ, ะไม่ต้องไปไหนนะให้อยู่กันเนื้อกับตัวเราไม่ฝึกไปไหนเลยฝึกอยู่กันเนื้อกับตัวนะรู้สึกตัวไป อย่างหลวงพ่อเตียนนะท่านสอนให้ขยับแต่มาท่านขยับเพื่ออะไรท่านท่านใช้คำว่าขย่าวธาตุรู้ขยับเพื่อจะรู้สึกตัวนะแต่ส่วนมากพวกเราเวลาขยับเนี่ยทาผิดสองอย่างอันหนึ่งไปเพ่งเพ่งมือเพ่งใจแล้วก็ไหลเข้าไปอยู่ที่นี่ใจจะทื่อๆนะอีกพวกหนึ่งก็เผลอไปคิดใจลอยไปหลงไปคิดบาธทีก็คิดเรื่องมือมาท่านนี้แล้วจะไปท่า น, นี้ และจริงแล้วท่านต้องการขยับนี่เพื่อจะปลุกความรู้สึกตัวไม่ให้ใจลอยเทียบก็คล้ายๆการเดินจงกรมเหมือนกันเดินจงกรมก็คือเท้าเคลื่อนไหวไปอันนี้ขยับมือก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยหลักเดียวกันในร่างกายเคลื่อนไหวท่านบอกกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ก่อนอาตมาไม่เคยอ่านหนังสือท่าน่ะก็คิดว่าท่านสอนเรื่องกายไปเห็นท่านขยับกายเคยเข้าไปกราบท่านที่วัด สนามในเห็นท่านขยั บ, บท่านรู้สึกตัวนะลูกศิษย์ขยับเนี่หลับหมดเลยคือหลับไปคิดไปฝันเรื่องมือบ้างหนีไปคิดเรื่องอื่นบ้างอีกพวกนึงก็เพ่งเพ่งไปใส่มือใจอยังเครียดเครียดเคยเป็นไหมขยับแล้วเครียดเครียดแข็งแข็งแข็งแข็งเครียดเครียนั่นลักษณะของจิตที่เดินผิดล้นี่มาอ่านหนะังสือหลงพ่อเทียนที่หลังเลยเจอว่าจริงๆท่านสอนเรื่องดูจิตเยอะเลยท่านบอกว่าถ้าเมื่อไร่รู้ทันว่าจิตชิดนะ เมื่อนั้นได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะในโลกนี้คนรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่มีคนรู้ว่าจิตไอคิดอย่างตอนนี้จิตของคุณหนีไปคิดแล้วทราบไหมนี่ถ้าคุณรู้ทันว่าจิตไปคิดคุณจะตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วท่านสอนต่ออยบอกการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดงั้นแต่แรกเลยเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดพวกเรารู้ทันแล้วก็ตื่นขึ้นมา เราก็รู้อยู่ที่จิตต่อไปเรื่อยๆแต่จะไม่ใช่นั่งเพ่งเ อ, อาไว้ให้นิ่งเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตามรู้ตามดูไปงั้นหลวงพ่อเทียนสอนกับหลวงปู่ดูลสอนนะเหมือนกันเปรียบเลยสุดท้ายนี่หลวงพ่อเทียนเอาการขยับมือมาเป็นตัวกระตุน้นไม่ให้เผลอยาวเวลาขยับไปแล้วใจเราหนีไปคิดนะให้คอยรู้ทันงั้นถามว่าขยับทําไมขยับเพื่อไม่ให้เผลอนี่หนิไม่ให้เผลอนาน เผลอเป็นยังไงเผลอที่เป็นมากที่สุดก็คือเผลอไปคิดงั้นะเราขยับไปเนี่ยพอใจเราหนีไปคิดเราก็รู้ทันเราก็จะตื่นขึ้นมาขยับไปขยับไปเล่นๆเราจะเห็นเลยพอใจตื่นใจมีความสุขนะแป๊เดียวขยับอีกแป๊บหนึ่งจิตหนีไปคิดอีกแล้วนะถ้าไม่ไปเพ่งไว้ก็จะหนีไปคิดอย่างรวดเร็วนะนี้ถ้าจิตหนีไปคิดเราก็รูนะ้พอรู้ทันจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาทีหนึ่งรู้สึกได้แวบหนึ่งก็หนีไปคิดอีกแล้ว ฝึกไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเกิดปัญญาเราเห็นเลยวจิตที่เผลอไปคิดเนี่ยเป็นอ ก, กุศลเราห้ามไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นจิตที่เป็นกุศลสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ใคยรู้สึกไหมความ ร, รู้สึกตัวรักษาไม่ได้จริงรเราไม่ได้ฝึกรักษาด้วยแต่ฝึกให้เห็นความจริงเลยจิตทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปนี้สุดจะเกิดปัญญา รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเนะี่ยธรรมะเสร็จแล้วไปลงงานเดียวกันตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้นะพอรู้ทันรู้สึกไหมเหมือนตื่นขึ้นมาหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมพอจะดูออกหรือยังเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมสุดโต่ไปข้างบังคับละ่นะนสิ่งที่ผิดมีสองงานการสุขาริการนิโยคไหลายตามกิเลสแปลกเลิอไป เผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดนะพอเผลอไปเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองอันที่สองที่ผิดนะเรียกอัตตากลมัทธานิยมการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไรอยู่นึกออกไหมเอาละพอก่อนนะเดี๋ยวเครียดจะงงละนะเมื่อกี้นี้ทาอะไรอยู่แต่กี้นี้ ใช่เพ่งก็รู้ทันนะเพ่งเนี่ยมันทําให้กายนิ่งใจนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วมันไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูนะเพราะฉะนั้นหลักของวิปัสสนาเนี่ยท่านบอกให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเราเผลอไปเราจะไปรู้อย่างอื่นไม่รู้กายรู้ใจแต่ถ้าเพ่งไว้เนี่ยกายกับใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเผลอกับเพ่งหรืออการมาสุขาริกานุโยคอัตตะกัลมาธาลินโยค คือสิ่งที่ท่านห้ามไหมสองอันถ้าเผลอไปใจลอยไปก็ลืมที่จะรู้กายรู้ใจถ้าเพ่งไว้กายกับใจก็นิ่งติดความเป็นจริงไม่ใช่รู้ต่างความเป็นจริงนะเป็นกายเข้าไปบังคับไปเข้าไปแทรกแซงเพรามันติด <c oughs> อ่ามันติดนะค่อยๆดูไปอยากปล่อยไหมให้รู้ทันว่าอยากนะถ้าใจเป็นกลางกับการเพ่งอันนี้ย มันจะหลุดทันทีแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางจะไม่หลุดออกมาเช่นมันเพ่งอยู่แล้วเราอยากเลิกเพ่งเนี่ยของคุณอจะทำนี้นะเนี่ยใจมันจะทื่อๆอยู่นะจะทื่อๆไปต้องค่อยๆคลายออกนะวิธีจะจัดการกับมันนะคือรู้ไปเรื่อยๆรู้ด้ยวยความเป็นกลางแล้วมันจะคลายเองถ้าไปบังคับมันนะไม่คลายออกมันตัวมันเองที่แข็งทื่อขึ้นมาเพราะว่าเราไปบังคับมันเข้า จะไปบังคับให้มันเลิกแข็งนะมันยิ่งแข็งหนักกว่าเก่าอีกตอนมันคลายก็คือเราลืมเพ่งเพราะงั้นถ้ามันติดนานนะคุณลืมเรื่องปฏิบัติไปเลยนะนึกไปเรื่องอื่นเลยก็ได้พอนะใจลอยเผลอไปแวบพอรู้ทันว่าเผลอนะมันจะตื่นขึ้นมาในฉับรันเลหลวงพ่อพเทียนถึงบอกกนะันถ้ารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเนะี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติจนะนั่งเพ่งนะ เนี่ยที่ที่ตามาพูดไม่ได้แกล้งว่าเลยนะเมืนนั้งเข้าไปที่วัดท่านจริงๆเห็นท่านขยับตัวท่านารู้สึกตัวท่านเป็นฟ้าชั้นยอดเลยแต่ลูกศิษย์ส่วนใหญ่คือนักเพ่งนะทําในสิ่งที่ท่านห้ามนั่นแหละท่านไม่ชอบสมถะนะผมก็เตียนแต่ลูกศิษย์ติดสมถะคุณดูออกแล้วใช่ไหมมันคือการเพ่งนะเพราะเราคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทําอะไรกลายเป็นเราไปนั่งเฝ้ากันไว้แค่เป็นเพ่งมัน ของคุณนั้นคิดสนุกไหมที่นั่งอยู่ด้วยกันนึกออกไหมเมื่อ ก, กี้ใจมันหนีไปคิดใช่ไหมให้รู้ทันอย่างเนี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนเรารู้สึกขึ้นมาใจมันจะโล่งๆเบาๆเหมือนตื่นขึ้นมาเอาคุณผู้ชายที่ใส่แว่นหน้าตาคุ้ น, น ๆ, ๆหรอมีหน้าหรือคุ้นๆอยู่ แล้วการบ้านเก่ายังไม่ทําเลยมันง่ายกว่าที่คิดนะของคุณมันยังบังคับอยู่มันบังคับจนเครียดนะคือการปฏิบัติเนี่เครียดไม่ถูกนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะไม่เครียดหรอกจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตที่เราไปบังคับไปกดฉี่เขาเนี่ยเขาเคร่งเครียด ชอบรู้กายหรือชอบรู้จิต่ะเดี๋ยวจะหลวงพ่อจะได้แนะให้ตามที่ใจชอบเวลาจะเขียนซอฟต์แวร์อย่าไปดูจิตนะเดี๋ยวเขียนไม่ได้เดี๋ยวเขาไล่ออกนะงั้นในเวลาที่เราทำงานที่เราต้องคิดเนี่ยไม่ใช่เวลาเจริญสติ เรียกกันซะนะแต่เวลาจเจริญสติเนี่ยตั้งแต่ตื่นเลยอย่างเราตื่นขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่ต้องไปทํางานนะใจเราจะเครียดขึ้นมาเรารู้ว่าเครียดถ้าเราตื่นขึ้นมาอ้อวันนี้เป็นพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วอะไรเงี้ยนะใจเราจะสบายเราเรารู้ว่าสบายนี่เรียกว่าปฏิบัติล่ะนะดั น, นั้นเราก็คอยรู้จิตใจของเราไปทั้งวันเลยยกเว้นเวลาที่ทํางานนะเวลาทานข้าวเจอของอร่อยใจเราชอบ เจอของแม่อร่อยใจเราไม่ชอบนะออกมาที่ถนนรถติดเห็นรถติดเยอะๆเลยใจมันไม่สบายไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะวันนี้เจอแต่ไฟเขียวดีใจรู้ว่าดีใจได้ฝึกอย่างนี้ไปตลอดวันยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะนี่กลับบ้านถึงเวลากลับบ้านก็ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนะไม่ละเลยข้อวัดต้องเดินต้องเดินต้องนั่งอย่าละเลย แต่การเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินแบบเคร่งเครียดนะเดินจงกรมเนี่ยหัดเดินรู้สึกตัวไว้ถ้าเราเดินถูกต้องเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่กำลังเดินเนี่ยอันหนึ่งใจที่ไปรู้เป็นอีกอันหนึ่งมีไหมมีสองคนไหมอา่าค่อยๆแยกกันนะกายก็อันนึงใจก็อันนึ่งความคิดเป็นอีกอันนึ่งทุกขทุกข์กุศลนกะุศลนี้เป็นอีกโคลานเป็นโคล้านโคล้าน เมื่อกี้ทําอะไรอยู่จงใจดูไม่ถูกนะอย่าจงใจพราะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะท่านบอกให้ตามดูให้ตามรู้อย่าไปจงใจปิดจ้องไว้ก่อนของคุณรู้สึกไหมคล้ายๆว่าเอาละต่อไปนี้เราจะดูจิตถ้าดูจิตเราก็เลยนั่งเฝ้ารอดูว่าเมื่ อ, อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นมาอันเนี้ยที่ทําให้แข็งแข็งขึ้นมาอันนี้ไม่ถูกนะการดูที่ถูกต้องเนี่ยท่านเรียกว่าอนุปัสนา กายานุปัสสนาเพราะการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตานุปัสสนาตามรู้จิตอย่างคุณจะดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าไว้ก่อนแต่รอนะให้มันเผลอไปก่อนเผลอแล้วรู้ว่าเผลอแล้วมันโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธมันโลภแล้วค่อยรู้ว่าโลภนะเป็นการรู้ตามหลังนะถ้ารู้ตามหลังไปเรื่อยๆมันจะไม่แข็งอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะฉั้นะนะมันจะเป็นธรรมชาติที่สุดเลย เช่นคนเขาชมเราใจเราพองขึ้นมาพอใจเราพองเรารู้ว่าอ๋อใจเราพองละวพอคนก็ว่าเราใจเราเดือดขึ้นมาเลยเรารู้ว่าใจมันเดือดขึ้นมารู้ตามหลังนะแต่ต้องตามแบบกระชั้นชิดไม่ใช่ว่าเมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้นี้ใช้ไม่ได้นะนานไปต้องประเภทกําลังโกรธอยู่นี่แหละแล้วก็รู้ทันว่าโกรธแต่ถ้าไปดักจ้องไว้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะทื่ อ, อไๆไว้เฉยๆคอจ้องไว้อ้อาวคุณทิตินาช่วยด่าหลวงพ่อสิ หลวงพ่อจัองไว้ด่าสามวันหลวงพ่อยังไม่โกรธเลยนะแต่หลวงพ่อกําลังเผลอๆ อ, อยู่มาด่าเนี่ยหลวงพ่อโมโหเลยเนะี่ยพ่ออะไรพ่อใจเราไม่ได้ิดจ้องไว้ก่อนอย่าไปจ้องไว้ก่อนของคุณยังติดการไปนั่งเฝ้าไว้หนีไปคิดแล้วทราบไห ม, อ, ไมอ่านั่งเฝ้าเดินเฝ้านอนเฝ้าอนะนอนเฝ้าก็มีนะนอนดูซิเมื่มอไหร่มันจะหลับโอยมันจะหลับได้ไงห น, ะนีไปคิดแล้วทราบไหม เนี่ยมันหนีไปคิดก่อนแล้วรู้ว่ามันหนีไปคิดรู้สึกไหมใจตอนนี้สว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมมันรู้ตัวได้ชัดกว่าเมื่อกี้ตอนที่มาเมื่อเช้าเนี่ยเครียดเครียดแข็งแข็งดูออกไหมตอนนี้ไม่แข็งเท่าเมื่อเช้าหรอกค่อยๆรู้ไปนะหรู้ไปเนี่ยยกมือรู้สึกไหมเมื่อกี้ยกมือแต่เปลอเหออ็นเะนี้ย คอยรู้สึกไปนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนี่ยใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมไอ้หลวงพ่อไม่ได้ห้ามมันนะเราไม่ได้ฝึกห้ามฝึกแต่ว่าเออใจลอยก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองพระเจ้าสอนจิตฟุ้งซ่านรูร้ว่ฟาฟุ้งซ่านคือใจลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอยไปแล้วไม่จะตื่นขึ้นแวบหนึ่งเดี๋ยวไม่ก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ว่าใหม่อ้าวลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนรู้จักใจลอยไหม รู้จักก็ดีแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราจะใจลอยเยอะถ้าไม่ใจลอยไปก็คือบังคับไวตรึงความรู้สึกเอาไว้เ น, นี่ยสองอันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าห้ามหลงไปใจลอยไปก็คือลืมกายลืมใจตัวเองนะไม่ได้มีการปฏิบัติเลยทั้งสมถะและวิปัสสนานั่งเพ่งกายเพ่งใจได้แต่สมถะไม่เกิดปัญญา น, ะ น, ะนีไปคิดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชายนั่นะ มันใจลอยไปก็รู้ทันมันนะอา้าวคุณนี่ใจลอยอีกคนละรู้จักใจลอยยังที่รุ่งสีเป็นไงอะไรนะตามรู้เรื่อยๆแต่อย่าจงใจนะถ้าจงใจนั่งเฝ้าจะเคร่งเครียดเคร่งเครียดผิดการปฏิบัติต้องสบายอ้าวช้างใจลอยอีกคนแล้วช้าง หลวงพ่อเห็นทั้โฆษณาบอาอย่าทําช้างเจ็บเห็โนโฆษณาเยอะเลยคุณนี่เคยมาไหมคุณผู้ชายใส่เชิ้ตพอรู้เรื่องบ้างไหมเออไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อนะไม่รู้เรื่องบอกได้คนที่ฟังหลวงพ่อครั้งสองครั้งรู้เรื่องมีน้อยนะเกิมาก็ต้องฟังกันหลายโหน รู้สึกไหมตอนนี้เราลืมตัวเราเองแล้วรู้สึกไหมใจลอยใจลอยแต่รู้ว่าใจลอยไม่ห้ามมันหรอกแล้วนี่ล่ะที่นั่งติดกันเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างเอออย่าไปกดมันนะห้ามไปกดมันนะเราไม่ได้เรียนเพื่อจะเก็บกด เรีนเพื่อจะรู้ตามความเป็นจริงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ๋อแน่นอนละ่ะเวลาทํางานก็ไม่ได้เอาไว้จ้างให้เราจเจริญสตินะ <c oughs> เขาจ้างไปทํางานเพื่อไปคิดเรื่องงาน <c oughs> จิตมีทำไมชาติตัวอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเราไปรู้เรื่องที่เขาคิดซะแล้วเนี่ยรู้กายรู้ใจไม่ได้นต้องแยกกัน <c oughs> มันธรรมดา แต่สังเกตไม่เคยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งหลวงพ่อเคยอ่านนะแล้วหลวงพ่อก็ไปสังเกตคนทํางานจริงๆเขาบอกว่าคนที่ทํางานแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงหรือสิบสี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยจริงๆทํางานไม่เกินมาละสี่ชั่วโมงอะ <c oughs> เวลาที่เหลือเอาไว้ใจลอย <c oughs> มีการวิจัยนะเขาลองจับเวลาคนหนึ่งเลยตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอนนี่ไม่ได้ทํางานเนี่ยขับรถไปทํางาน ไปกินข้าวอะไรนี้พวกนี้ยังไม่ได้ทํางานนะเดินขึ้นไปที่โต๊ะทํางานที่ห้องทํางานไขกุญแจไปนั่งเก้าอี้นี่ก็ยังไม่ได้ทํางานนะเปิดคอมพิวเตอร์บูตเครื่องนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานนะหรือว่าตอนทํางานจริงๆอะสั้นนิดเดียวนะแต่จะมีเวลาเว้นวักเนี่ยเยอะมากเลยนะเช่นกําลังทํางานอยู่คนโทรศัพท์มาแล้วเอาไปคุยโทรศัพท์นี่หักออกได้นะหรือว่า นั่งจิบกาแฟเหนื่อยแล้วนั่งจิบกาแฟเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทํางานหรือบางคนก็ทำงานไปพอเหนื่อยเหนืยก็คว้าหนังสือพิมพ์มาดูนี่ไม่ได้ทํางานล้หรือไปเข้าห้องน้ำนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีเวลาที่ไม่ต้องทํางานใช้ความคิดเนี่ยเยอะมากในแต่ละวันแต่และคนเนี่ยใช้ใช้เวลาไปทํางานที่ใช้ความคิดนะไม่มากเท่าไหร่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรเท่านั้นเอง งั้นถ้าเวลาที่เหลือเนี่ยเอามาเจริญสติเนี่ยนะไปได้ง่ายเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องทำแปดชั่วโมงเวลาแปดชั่วโมงนี้ไม่เจริญสติเลยนะตำลุมบอลลูกเดียวนะตรงนั้นกิเลสจะเกิดเดยอะแยะเช่นทํางานไปแล้วก็เครียดไม่เห็นว่าเครียดนะคนมาอินทตอร์ับเราละโมโ ห, โหไม่เห็นอีกอย่างเงี้ยเนใจเราจะเวี่ยงไปเหวี่ยงมาหมดเวลาแปดชั่วโมงเนี่ยนะจิตใจมันน่วมไปแล้วสบับกระบอมไปแล้ว ดูไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราคอยรู้สึกนะทำงานไปพอเครียดปุ๊บเห็นเลยว่าเครียดแล้วใจก็สบายตั้งใจทำงานไปงานก็จะดีด้วยแล้วใจก็จะไม่บอบช้าด้วยแล้วหลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้นะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำงานคิดทั้งวันเลยนั่งอ่านนั่งคิดนั่งเถียงกับคนนะตรวจสอบข้อมูลวิเคราะหนะ์นำเสนอว่างานยุ่งมากเลยแต่ละอย่าง แต่หลูพ่อคอยดูใจตัวเองอย่างเราเข้าประชุมแล้วนะเห็นเมมเบอร์ในวันนี้นะเห็นไอ้พวกมาประชุมโอ้ยพวกพูดมากแล้วเลยนะเห็นหน้ามันก็เกลียดมันละเกลียด ม, มันรู้ว่าเกลียดนี่ได้ปฏิบัติแล้วนะถึงเวลาก็พรีเซนต์ไปด้วยใจที่ไม่เกลียดละเพราะเรารู้ทันมันหรือพอพรีเซนต์ไปแล้วเขาเถียงเราเราชักโมโหลนะรู้ว่าโมโหเนี่ยพอรู้ว่าโมโหใจก็สบายไม่โมโห ฟังเขาพูดประเด็นเขาคืออะไรเนี่ยฟังเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเคลียร์ง่ายเพราะฉะนั้นจริงๆนะดูจิตไปเนี่ยทําได้ทั้งวันอะ่ะแต่ดูกายไม่ไหวนะดูกายต้องตั้งใจทำปรับสงบก่อนจิตใจตั้งมั่นแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายนะเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันดูยากนิดนึงเราั้นดูจิตเนี่ย ในตำราอาภิธรรมถึงสอนแบบ ก, การดูจิตเหมาะกับพวกคิดมากการรู้กายเหมาะกับพวกโลภมากอ่ะสองคนนี้มาจากไหนกันเราอาบส่งกันบ้านมาสี่ครั้งนะแล้ว ไม่ใช่คือถ้าดูแล้วไม่มีความรู้สึกสะเทือนใจเลยสแสดงว่าเพ่งเอาไว้นะแต่ถ้าไม่เพ่งไว้ละครมันเศร้าเราดูแลแ้วแหมเราก็อินเราก็เศร้าไปด้วยเศร้ารู้ว่าเศร้าเราจะเห็นเลยจิตแต่ก่อนไม่เศร้าตอนนี้จิตเศร้าไม่ค่อยดูไปนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ค่อยแนะนํานะแต่กับบางคนที่เครียดจัดๆก็ยังแนะนําเหมือนกันไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตรจริจริงๆเราจะเห็นเลยอย่างเราไปดูละครเนี้ย จิตเราถูกเบี่ยงนะเดี๋ยวก็เกิดโลภะโทสะอย่างเร้าเนี่ยเป็นโทสะนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจจิตเวียงขึ้นเวียงลงนะถ้าเราชอบดูเราก็ดูจิตของเราไปด้วยเราจะดูละครไม่มีความสนุกเลยเราจะเห็นได้จิตเวียงไปเวี่ยงมานะแต่ถ้าเราปฏิบัติจริงจังเราก็ไม่ดูมันหรอดูของจริงเลยนะ ไ, มไม่ใช่หลวงพ่อไม่ว่าขนาดนั้นหรอกนะมีบางคนยังชอบดู หลวงพ่อบอกอย่าไปดูละครเดี๋ยวไม่ยอมปฏิบัติเลยหลวงพ่อก็หลอกคนไหนชอบดูละครนะ้อ้าวไปดูละครแล้วก็หัดดูใจตัวเองนี่หลวงพ่อหลอกให้ดูใจพอดูจิตใจไปสักพักหนึ่งจะเห็นใน ล, ละครนี้มันไร้สาระนี่นะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมีแต่เรื่องไร้สาระเรื่องหลอกหลอกใจเราก็จะสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปดูละครแต่ว่าหัดใหม่ๆไปดูก็ได้แต่ไม่ใช่ดูแล้วทําใจให้ไม่รู้ไม่ชี้นะ เช่นแต่ก่อนจะดูละคร ด, ดูทำไมเสียค่าไปนะดูแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะเสียลูกตาแต่ถ้าดูละครแล้วแหมนางเอกหน่าสงสารใจเราสงสารเศร้าเสียดสูบเ้าแกล้งตรงนีนะ้เห็นนางอิจฉานี่เกลียดมันจังเลยนางนี่มาอีกแล้วเกลียดมันสงสารนางเอกถูกแกล้งนะนี่นางเอกถูกแกล้งมาหลายตอนแล้ว เราก็เอาใจช่วยมาหลายตอนแล้วนังนี่โง่ถาวรแล้ว <c oughs> เคยเป็นไหมเอาใจช่วยตั้งนานแล้วมันไม่ดีขึ้นสักที <c oughs> ชักโมโหแล้วเนี่ยความการุณานะพลิกเป็นโทสะแล้ว <c oughs> เราก็รู้ทันหัดดูอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราฝึกชำนิชำนาญเราไม่ไปเสียเวลาดูแะ้ะเสียเวลาเคยมีนักแสดงนะสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้ามีนักแสดงคนหนึ่งชื่อในลูกตาล ชื่อตาลบุตรตาลบุตตะในลูกตาลเกิดใต้ต้นตาในชื่อลูกตา<อ>เป็นนักแสดงดังมากเลยตอนนี้ใครเป็นพระเอกดังที่สุด<อ>ชื่ออะไรนะแล<อ>้วหลวงพ่อไม่รู้จักเลยหลวงพ่อรู้รู้จักมิตรชยัยบัญชาเลยรโน้นนะโอเคสดาพรเ น, นี่ยอสมมติดังมากนะตาลบุตตะนี่เป็นนักแสดงที่ดังมากในยุค น, นั้น วันหนึ่งก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปินสอนผมมาบอกว่าการที่ผมไปเล่นละครให้คนดูนะทําให้คนมีความสุขฉะนั้นผมได้บุญมากผมตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ชื่อฮาสิตาพระเจ้าบอกว่าอ๋อไปเล่นให้เขาดูนะทํากิเลสของเขาที่ยังไม่เกิดให้เกิดทํากิเลส ท, ที่เกิดแล้วให้รุนแรงมากขึ้นอย่างใจของเราปกติก็หลงหลงอยู่แล้วนะ เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวยังง่วนอย่างนี้ท่านบอกตายไปตกนรกชื่อหาสิตา <laughs> <Yep. S 2> เยอะมากเหมือว่าปถีบมือโกดุกเลยใช่ไหมคะเหมือนจะเลิกเลิกไปหมดคืออย่างนี้ที่จริงก็คือโทสะได้เกิดขึ้นแล้วนะมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่สติมันเร็ว ม, มากนะสติมันเร็ว ม, มันเห็นตั้งแต่มันเริ่มเกิดมันก็ดับไปแล้วไม่เอาเอาเท่าที่ทําได้ เราไม่ตั้งความคาดหวังว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้การที่เราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเนี่ยดูเท่าที่เป็นเท่าที่ทําได้เช่นมันโกรธแรงๆแล้วเรารู้ก็ใช้ได้มันเริ่มขยับโกรธขยับตัวนิดนึงเราก็เห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ทั้งหมดเสมอ ก, นะการที่เราเห็นสภาวะที่หยาบหรือสภาวะที่ละเอียดก็เสมอภาคกันคือทั้งหมดเกิดแล้วดับเสมอภาคกันหมดเลย ในเวลาที่จิตจะเข้าถึงมรรคถึงผลไม่ใช่ว่าต้องละเอียดนะวิธีเกิดอารมณ์หยาบหยาบเช่นรู้สึกกังวลใจเรากังวลใจว่าเช่นเราไปเดินตักฝนเรากังวลใจว่าเราคงจะป่วยอะไรเงี้ยกังวลใจเนี่กิเลสหยาบหยาบเลยนะมันกังวลแล้วก็ไปรู้ว่ากังวลเข้าถึงกวันที่กําลังของสติสมาธิปัญญาพอจิตมื็ตัดเลยรวมเข้ามาเกิดมรรคเกิดผลได้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการเกิดมรรคผลเนี่ยต้องทำให้ละเอียดถึงจะเกิดหนะยาบและละเอียดนี่เสมอภาคกั น, น เ, านเาขาเขาว่องไวขึ้นเองเขาไวาขึ้นเอ ง, เองแล้วปัญญาก็เข้าใจได้มากขึ้นมากขึ้นก็วางได้เร็วขึ้น คือคือถ้าถ้าอารมณ์มันละเอียดนะสติมันก็ต้องละเอียดอ่อนว่องไวถ้าอารมณ์มันหยาบขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าสติเรายัางทำงานช้ามันปรุงเป็นกิเลสหยาบหยาบขึ้นมาแล้วแต่ว่ารู้ทันตรงไหนตรงนั้นก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนไงธรรมะที่หยาบธรรมะที่ละเอียด ธรรมะภายในธรรมะภายนอกนะธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเสมอภาคกันไม่ใช่ว่าที่ลุงศรีต้องทําละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วเพื่อจะได้บรรลุธรรมไม่ใช่หรอกบางวันมันก็หยาบบางวันมันก็ละเอียดเอาแน่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของอนัตตาทั้งหมดเลยนะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้บางวันก็หยาบบางวันก็ละเอียดบางวันไม่มีเลย ก็เกิดข bueno ึ uh, ้นเองอ่าอย่างนั้นนะนั่นแหละนั่นแหละน่าดีเกิดเขาเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างยังไงก็ได้นะเราเรียนไม่ใช่เพื่อว่าจะเอาดีไม่ใช่ว่าเราอยากได้สติเยอะๆเราไม่ได้เรียนเอาตรงนั้นหรอกแต่เราเรียนจนกระทา่งจิตมันเกิดความเข้าใจ ว่าทุกอย่างเนี้ยบังคับไม่ได้สติจะเกิดหรือไม่เกิดเกิดแล้วหยาบหรือละเอียดอะไรเนี้ยเราก็เลือกไม่ได้ไม่ไม่ได้เรียนเอาดีนะแต่เรียนเพื่อจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับไปทั้งสิน้นธรรมะที่หยาบเกิดขึ้นแล้วก็ดับธรรมะที่ละเอียดเกิดแล้วก็ดับเสมอภาค ก, กันเรียนเพื่อให้เข้าใจตรงนี้ในสุดก็เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับไปทั้งสิน้นพระโสดาบันรู้แค่นี้เอง แค่นี้เองนาะไม่เยอะหรอกอืมเราว่าถ้าเราโกด็งก็คือให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบอกเองว่าโกด็งอา่าไม่ต้องห้ามมันนะ mm hmm. พระเจ้าสอนเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะให้รู้นะท่านบอกว่า mm hmm. ให้รู้ถ้าไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะแล้วให้หาทางละเสีย mm hmm. ไม่มีประโยคหลังนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความโกรธเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธใจเราไม่ชอบมันรู้ทันว่าใจไม่ชอบนี่อยากหายโกรธรู้ทันอยากหายโกรธเนี่ยเป็นความโกรธอีกตัวหนึ่งโกรธไอความโกรธตัวแรกา่อดูไปเราจะเห็นเลยมันเหมือนคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจะเห็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกของคนอื่นเหมือนเรานั่งดูคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเคยเป็นไหม นะอย่างไอ้ร่างกายเนี่ยเราเห็นมันกระดุกกระดิกนะมันเห็นเหมือนเห็นคนอื่นกระดุกกระดิกจิตใจเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลนักกุศลเราดูอยู่มันเหมือ น, นเราเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นดีใจนะเอาคุณนัอนอ้นน่ะที่บอกว่าไปเจอสองปี่ใจลอยไปแล้วนะไปฝึกอยู่ที่ไหนล่ะ ในหลวงพ่อเทียนน่ะดีสายไหนก็ได้จริงๆอ่ะเอาไปสักสายนะแต่ว่าทําแบบไหนก็ต้องให้มีสติเท่านั้นแหลนะะเช่นเราจะฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนเราก็ขยับมือไปนะใจเราลอยไปแล้วรู้ว่าใจลอยไปขยับไปแล้วใจเราเข้ไปเพ่งมือรู้ว่าเพ่งมือเพราะฉะนั้นจิตใจเราขยับไปแล้วจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขขยับเพื่อจะรู้ทันใจนะคนไหนฝึกอานาปนาสติก็หายใจไป หายใจไปแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจหนีไปแล้วหายใจไปอีกใจเข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าไปเพ่งก็รู้ว่าเข้าไปเพ่งหายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้หายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้หายใจเพื่อจะรู้ทันใจคนไหนดูท้องพองยุบก็ได้ดูไปพองยุบไปพองยุบไปเดี๋ยวใจก็หนีไปที่อื่นอีกแล้วหนีไปก็รู้ทันไปเพ่งท้องก็รู้ทันในสุดกรรมฐานไหนนะทำไปเถอะ เอาสัก อ, อ่านหนึ่งแต่ถ้าทำถูกต้องนะมันจะรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองได้ใน่ตอนนี้หนีไปคิดแล้วทรบนนาบไหมเอ้าคุณสุธรรมว่าไงคุณสุธรรมอ๋อตับถูกแล้วคุณผู้ชายข้างหลังนั้นแหละเลยคุณสุธทรมไปเป็นไงบ้างเป็นไง พอรู้สึกได้แล้วล่ะนะพอรู้สึกได้คอยรู้สึกเลยเรื่อยคุณทํามาดีแล้วล่ะหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนื้อทาถูกแล้วนะทาถูกตรงที่สังเกตไหมตรงที่รู้ทันคล้ายๆเราตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่เป็นไรต้องทราบทีหลังนะถูกแล้วนะคือเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอหนึ่งนี้ถูกต้องถ้ากลัวจะเผลอแล้วนั่งเฝ้าเอาไว้อันนี้ไม่ถูกต้องนะอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม แค่นี้เองนะแค่นี้ของคุณใช้ได้แล้วละ่ะที่ที่ไปอ่านมาหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยหัดดูสภาวะอย่างนี้นะพอจําได้ไหมกิเลสอื่นๆก็แบบเดียวกันนะดูไปมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเนี่ยอยากพูดทราบไหมหลวงพ่อบอกแล้วดูออกไมเนยสังเกตไหมความอยากพูดมันดับไปแล้วดูออกไหมโ ล, โลดปลดหลงนะเกิดขึ้นที่เดียวกับไอ้ที่อยากพูดนั่นแหละมันผุดขึ้นมาจากกลางอกนั่นแนหะ นีไปคิดแล้วทราบไหมดีละนะฝึกแปดดีละมีใครอีกหมดหื อ, อยางอ้าวพอจะหมดเลยยกกันใหญ่เลยอว่ามาเป็นไงยอมทำแบบไหน ทุกคนคิดทั้งวันนะไม่เฉพาะโยมหรอกใครๆก็คิดทั้งวันเหมือนกันหมดแต่ว่าพอคิดไปแล้วเนี่ยจิตใจเป็นสุขก็มีบางทีคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็มีเพราะงั้นเราไม่ห้ามเราแค่รู้ทันว่าจิตแอบไปคิดอย่างโยมนั่งฟังอาตมาพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดสลับกันดวออกไหมเนี่ยแค่แค่รู้ทันอย่างนี้ก็พอละจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดนะ อย่างตอนเนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมให้คอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยในสุดใจเราจะตื่นขึ้นมาจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม <c oughs> ไม่ห้ามนะไม่ใช่ฝึกห้ามนะฝึกแค่ฝึกรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันไม่ห้ามอ่ะคนนี้ละ ถ้ามันเด็กเองไม่เป็นไรอย่าไปอยากบังคับมันนะไม่บังคับบังคับมันถึงจะแข็งแข็งรู้สึกไหมมันจะแข็งนะอย่าไปบังคับมันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้รู้ลูกเดียวเพราะนั้นะไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปแก้ไขอาแฟนตึกชื่ออะไรลืมไปแล้วชื่ออะไรนะเออจุบไปไงตอนน่ะคอยรู้เรื่อยๆนะ ตึกยังฟุ้งไม่ตึกตึกหายไปไหนล้วเป็นไงตึกครับก็ยังมีติดติดเรียกิดียกรียวาศาสร์แต่บางครั้งก็เห็นว่า้ดีมุมนมันลงตาก็โอ้ดีละดีละโอ้ดีนานเนี่ยดีตั้งครึ่งวัน เออดีแล้วดีแล้วรู้ทันไปเรื่อย ดีแล้วตึกดีแล้วนะภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะอา้าในายนิดโอ้ยอยู่หลังสุดเลยเอา้าเป็นไงส่งกันบ้านมันเทียเท่ยงเหรอมันเหมือนเดิมอ๋อ เ, <c oughs> เออดีแล้ว ด, ดีแล้วดีลดีลนิดใช้ได้แล้วนะล็อลเดอรล็ จะจงใจดูถ้าจงใจดูแล้วมันอึดอัดนะแต่ถ้ากิเลสมันเกิดแล้วเราค่อยรู้เอาไม่อึดอัดหรอกนะแต่ถ้าเราจงใจจะ่าไปนั่งเฝ้าทั้งวันนะก็จะอึดอัดนะดีแล้วใครรู้ทันไปแล้วแล้มมาแล้มหมูนี้ดูผ่องใสดีไปทําอะไรมาเวลากิเลสเกิดรู้ทันไวไหม รู้บ่อยๆเนะดีแล้วบ้านนี้เภาวนาทั้งบ้านเลยดูเด็ก <c oughs> เด็กผู้ชายเล็กๆเลยเขินเลยส <c oughs> งสัยไหม <c oughs> นี่หลานหลวงพ่อ <c oughs> แม่ของคุณสุนันต์ต้องยกเว้น <c oughs> คุณสุนันต์ถ้าไปคุยด้วยแล้วเกลงเอาหมดยางหมดย่าง <c oughs> หมดแล้วนะหนึ่งอ่าหนึ่งอย่างอีกเหออ่าว่ามาเวลาหัดอ่านใจจตียงไปเรื่อยๆนะความรู้สึกเราแต่ละวันไม่เหมือนกันความรู้สึกของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนเช้าความรู้สึกไปอย่างหนึ่งสายๆความรู้สึกก็เปลี่ยนไปนะคอยดูความรู้สึกของเราทั้งวันเลยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ดูนะไม่ใช่ไป บ, บังคับให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงะ รู้ไปเรื่อยๆแค่นี้พอไหวไหมถ้าถ้าอย่างเป็นอย่างตอนนี้ไหมคือตอนนี้จิตมันยังติดในสมถะนะจิตของคุณมันยังติดการบังคับไว้การตรึงไว้การประคองความรู้สึกไว้ <c oughs> ถ้าเรารักษาตัวนี้นานๆเ น, น, นี้ยนะมันจะมีความสุข ต้องเป็นสมถะดูดูออกไหมว่าเราควบคุมตัวเองอยู่เนะขาคุณฝากคุณเป็นกันบ้านนะคุณไปสังเกตการบังคับตัวเองอะ่นะเราจะคอยบังคับตัวเองบ่อยๆควบคุมกายควบคุมใจคอยสังเกตแต่วันหนึ่งมันจะปล่อยมันจะรู้โดยที่ไม่ได้จงใจไปบังคับเขาไว้ใจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งจะตื่นขึ้นมานะฝากไปทํากันบ้านนะนะคุณหมอว่าไง คืการที่เราอะไรแล้วเราเก็บเข้าไปแล้วก็เอาปงนมันเป็นตัวบอกได้ไหมคะว่าเกิดอนกับตัวเองว่าเาเนี่ยก็พอเป็นอุบายได้นะแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตทำหน้าที่หลายอย่างหน้าที่อันที่หนึ่งหน้าที่รู้สึกหน้าที่คิดรู้สึกนึกคิดจิตอันที่สองเนี่ยทาหน้าที่จำเก็บข้อมูลสะสม นะาสะสมวิบากทั้งดีทั้งชั่วเก็บไม่ได้หมดเลยเก็บไม่ได้นานด้วย น, นะผลอีกงานนี้ก็คือหน้าที่ปรุงแต่งวิจิตทิสดาลเลยทาอะไรได้อีกสารพัดเลยนั้นะจิตมันทำงานได้แยกๆเลยการที่เราไปสัมผัสสิ่งต่างๆแล้วเราขาดสติเราก็สะสมเก็บภาพอนนั้นเอาไว้เยอะแต่ถ้าเรารู้สึกมีสติอยู่กับปัจจุบันมันจะผ่านมาแล้วก็ไหลไปผ่านมาแล้วไหลไ ป, ล ก, ลไปก็ไม่ไปเก็บไว้ จริงความฝันมันเป็นช่องทางระบายความเครียดของจิตงั้นอย่างเรามีความเครียดเครียดเกิดขึ้นที่ใจก็ฝันฝันไปใจก็ผ่อนคลายขึ้นเป็นกลวิธีที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาทีนี้คนคนที่ อยู่กับโลกเนี่ยวันวันหนึ่งนี่นะมีสิ่งที่จะต้องใส่ใจเนี่ยเยอะเลยนะอย่างอยู่บ้านต้องดูแลบ้านไปนะทำงานต้องยุ่งกับเรื่องงานต้องยุ่งกับคนต้องอะไรเนี่ยมันมีสิ่งที่มาดึงดูดความสนใจของเราให้วักแวกไปเยอะเลยนะโอกาสที่จะมารู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยเนี่ยมันน้อยนะแต่ถ้าเราปลีกตัวสงบวิเวกเข้าไปอยู่ตามวัดนะไปปฏิบัตดิดูของเราได้ทั้งวันนะมันสบาย และอย่างนะไปอยู่บ้านนานๆเนี่ยมันซ้ำซากมันเหมือนกันทำได้อย่างนั้นหนูบอกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วปิดบ้านเปิดแอร์อยู่ในห้อ ง, องคนเดียวนะเดินจงกรมทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆไม่เหมือนกันหรอกเดินจงกรมในห้องแอร์บนปลมเนี่ยนะกับไปเดินในป่าเนี่ยความรู้สึกต่างกันเดินในป่าเนี่ยนะมันจะตัวอะไรมันจะแอบอยู่ที่ไหนอะไรย่างนี้ จิตใจเนี่ยจะจะ alert กว่ากันเยอะเลยตื่นตัวนะแต่ถ้าอยู่ที่ซ้ำซากจำเจไม่ใช่เฉยเอยจิตใจไม่ค่อยตื่นตัวว่าไงแก้ว ถ้าเราไม่ชอบโมหาดูยากที่สุดนะในกิเลสทั้งหลายนะโมหะดูยากที่สุดงั้นไม่แปลกอะไรหัดใหม่ๆก็รู้แต่ของที่หยาบหน่อยโทสะโลภะรุนแรงแต่พอหัดดูไปเรื่อยๆมันละเอียดขึ้นเองอนะ่ะเช่นแต่ก่อนต้องโทสะแรงๆถึงจะเห็นห ด, ดูบ่อยๆขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วแต่โมหะดูยากนะโมหะเช่นจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้ยจิตฟุ้งซ่านเช่นจิตจิตหนีไปคิดอนะ่ะถ้าจิตมันหนีไปคิดทั้งวันเนี่ย พยายามดูนั่นแหละให้รู้ทันเลยเกิดโลภะขึ้นละตรงที่พยายามจะดูอะนะกิเลสเกิดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะั้นการที่เราไปนั่งดูตามคําบงการของกิเลสเนี่ยจิตในขณะนั้นประกอบด้วยกิเลสจิตขณะนั้นจะไม่มีสติเลยสติจะไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไรมันไประลึกรู้โดยไม่เจตนาระลึกเนี่ยสติตัวจริงจะเกิดขึ้นมามันจะโล่งเลยพี่รุ่งสีกล้องเป็นไงมั่งเห็นแต่แก้ว เออไม่เห็นนานแล้วภาวนาไหมเห็นหรอ<ะ>มัวไปทำอะไรอยู่เล่นอะไรนะร อ, ะอะเล่นอยู่คนเดียวเหรอเหรอ น่าสงสารนะภาวนาดีนะกล้องอ่ะกล้องเคยภาวนาดีมากเลยวมนก่อนดตรเล็กเข้ามาด็อกเอแวบอกว่ากล้องบอกว่ากล้องภาวนาดีขึ้นกล้องไปบอกแหนวอ่ะอ้าววันนี้พอสมควรนะเชิญเชิญหงู่ดูลักสนอกว่า ีรเกิดขึ้นก็ปัดทิ้งไปหมดเลยมันก็ยังไปปรุงต่อรู้แล้วก็ไม่ปรุงต่อแล้วมันจัดจิรจเราเองด้วยจิดเราเองก็่สองด้านจีบดูบ่า